ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายประูุรในวันนี้จะได้พูดถึงอานิยตสูตรเป็นการแสดงทางแห่งความเสื่อมไปทางแห่งความเจริญของผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามกฎที่ว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเขต เหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีประสูนในกลุ่มนี้จะมีการสอนธรรมะเป็นสองฝ่ายเป็นการแสดงทางดำเดินคือให้ผู้ปฏิบัติเลือกเอาทางหนึ่งเป็นทางของความเสื่อมแต่ว่าผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมให้เกิดผล แต่การแรกก็คือเป็นผู้ที่ยินดีในการทำงานต่งตางๆมากสำนวนท่านใช้คำว่ามีกิจมากมีธุระมากมีเรื่องมากเวลาส่วนใหญ่เราต้องเสียไปเพราะภารกิจการงานเหล่านั้นทต่ไม่ภารกิจหลักที่จำเป็นจะต้องจัดจะต้องทำอย่างต่อนเนื่องมันก็ทำไม่ได้ บางครั้งเราจึงพบพุทธศาสนาสุภาสิตที่ส่งประลบเรื่องเหล่านี้และแสดงคือถ้าไม่มองที่ไปที่มาชัดเจนก็อาจจะสับสนได้เช่นทรงแสดงว่าบุคคลไม่ควรพร่าพรานประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะมากก็ตาม มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ของตนแล้วก็ให้ขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนหรือ ถ, ถ้าเราฟังเท่านี้คล้ายๆกับสอนใเหตุแก่ตัวแต่จะมองที่ไปที่มาว่าเป็นการประรบถึงการรีบเร่งบาเพ็ญเพียรพยายามตามสถานะหน้าที่เคิเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วจึงไปทำ ภารกิจของคนอื่นเป็นการแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดนะฮะเอาโครงสร้างแม่บทหลักเหมือนพระพุทธเจ้าก็ใช้ขวนขวายในประโยชน์ของพระองค์ซะก่อนหปีเสร็จภารกิจส่วนพระองค์ก็ทุ่มเทไปเพื่อโลกเพื่อสังคมเป็นเวลา45ปีก่อนที่จะรปนิพพานเนี่ยมันมีพระแตกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่าตอนนี้พระเจ้าปกล้นิพพานแล้วเราบวชมาในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราควรจะรีบเร่งบำเพ็ญเพียรในบรรลุมรคผลทันการปนิพพานของพระเจ้าคือให้บรรลุมรคผลได้ก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานเพื่อสามารถกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจว่าภารกิจที่เราจะต้องจัดจะต้องทํำนั้นเสร็จแล้ว ในกลุ่มหนึ่งถ้าก็มองอีกมุมหนึ่งอ่ะถึงก็ถือว่าอีกสามเดือนพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็แสดงความเยื่อใหญ่ความอาลัยความเป็นห่วงกังวลก็ติดตามข่าวแผนพระพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งมันก็อยู่ที่มุมมองไงนะฮะหลายฝั่มาพวกที่ภาพแผนอยู่ก็คิดว่าพวกนั้นใจจืดทอดทิ้งพระศาสดาของตัวเองไม่ดูแลใจใส่ทั้งทังที่พพุทธเจ้าจะนิพพานแล้ว ันนี้เลยนำไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระหลายรูปที่ถูกฟ้องเนี่ยองค์หนึ่งที่ที่ที่ประรพภาษิตคนนี้คือพระอัตถะเจระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นทั้งๆที่ทร ง, งรู้นะฮะต้องการจะประรบเรื่องเพื่อจะเตือนภิกษุทั้งหลายจงก็ล่าใ้ฟังว่าข้าวงบวชในสำนักของพระภูมิพระภาค แต่ว่าตอนนี้พระองค์จากนิพพานแล้วครับพระองค์ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยวันที่ลีกเล่นออกไปคือรีบเร่งบำเพ็ญเพียรเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลทันก่อนที่พระองค์จะนิพพานพระเจ้า ก, ก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลายนั่งถือเป็นแบบอย่างไม่ต้องมาห้อมล้อมอะไรพระองค์หรอกคือ ภารกิจอันใดที่ท่านควรทำนะก็ให้ทําแล้วก็ประรอภาษิติการแล้วบุคคลเมื่อมองเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นเนี่ยบุคคลไม่ควรพลราดานประโยชน์ของบุคคลประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะมากก็าตามมองเห็นประโยชน์ของตนแล้วก็ให้ได้รีบเร่งขนขวายในเป็นประโยชน์ของตนคือในที่นี้หมายความว่าการพยายามทำ บำเพ็ญเพียรทางจิตให้ได้รับผลมันเกี่ยวข้องกับความตายด้วยนะฮะเพราะการปฏิบัตธิธรรมะจะต้องมีลักษณะของความเป็นผู้ตื่นความตายไม่รู้จะปรากฏเพื่อไหร่ทีก็เพล่เลก็ตายแล้วจะทํายังไงว่าก่อนความตายจะมาเยือนก่อนร่างกายเราจะทุรพลก่อนที่ศรัท ธ, ธาเราจะถดถอยเนี่ย มัน อ, อนิยายอะไรไม่ได้ทักอย่างหนึ่งคนเราคือบางทีเจตจำนงตั้งใจเอาไว้ศรัทธามันถอยด้วยีหลังเลยทำไม่ได้เลยบางทีชีวิตมันไม่ให้คือมันตายซะก่อนบางทีเกิดอุบัติเหตุทุพพลภาพซะก่อนเป็นต้นเพราะการมองแนวพุทธเนี่ยคือจะมองไปในแนวที่เรียกว่าตื่นตัวพร้อมขณะหน้าเราไม่รู้ เรารู้ในตัวปัจจุบันว่าปัจจุบั น, นี้เราควรจะทำอะไรจะทำอย่างไรเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ข้างหน้าจะตายเมื่อไหร่นี่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของพู้ธัสาก็จึงทรงใช้คำว่าเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยดีตื่นอยู่ทุกเมื่อตั้งกลางคืนและกลางวัน หมายความว่ามีสติสมัมปชัญญะระลึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือคนเราจะเอาไปหมดมันไม่ได้มันถึงทางเลือกเสมอว่าเราจะเอาอะไรในขณะเ น, นี้ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อกูนแลกหนวยความสุขให้ได้มากกว่ามันก็เลือกเอาสิ่งนั้นมันเลือกสิ่งเดิมก็ต้องวางสิ่งหนึ่งเกือเอาสองอย่างไม่ได้มันถึงทางแยกจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ไปทางหนึ่ง เอาทางซ้ายทางขวาเลยก็ไม่ต้องไปเพราะการใส่ใจสนใจในภารกิจการงานจนวุ่นไปหมดแล้วก็บรรทันทตัดรอนเวลาที่จะพัฒนาจิตใจประการต่อไปนั้นก็คือชอบหลับนะฮะือชอบนอนชอบหลับการนอนหลับนั้นที่จริงก็เป็นความจำเป็น กูเจ้าสงเปรียบเทียบไปดูนะว่าการนอนหลับก็ถือว่าทำให้ชีวิตช่วงนั้นมันเป็นหมันไปหมายความว่าในส่วนร่างกายคงรองพักผ่อนนะฮะแต่ส่วนจิตใจมันก็ไม่ได้ลดละอะไรก็รงบองแบบผู้ตื่นคือมองโดยจุดสูงสุดแต่ถ้าใจมันตรึกนึกด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยหลับจะดีกว่า คือมันเสียเฉพาะเวลาแต่ไม่เสียสุขภาพจิตนั่นคือทางเลือกแล้วทางที่ที่ควรจะเราจริงๆก็คือว่านอนน้อยทำงานมากคือการพักผ่อนการหลับนอนก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีแต่ว่าไม่ควรใช้มากใช้มากไปเวลาช่วงนั้นมันก็สูญเสียไปเพราะฉะัคนที่ชอบ หลับชอบเคลื่มหลับจนตตืก็บางทีหลับได้ทุกสถานการณ์หลับมันเป็นนิวร์นะฮะเป็นทีนามิตาทีก็หลับได้ในทุกสถานการณ์ก็เคยพบพระองค์หนึ่งท่านเทศเองท่านยังหลับเลยนะหลับเยี่ยมมากเลยสวดปาฏิโมกข์เองนะฮะท่านสวดอยู่นี่ท่านหลับได้เก่งมากมากเลยก็เคยเห็นคนเดียวแต่นั้นเองะฮะ ตอนนี้ทั้งมนภาพไปแล้วเป็นคนที่แปลกมากๆเพศเองก็หลับสวดปฏิโมกข์เองก็หลับฟังธรรมะก็หลับอ่านหนือธรรมะก็หลับแต่มีอยู่สองเรื่องที่ท่านไหมสามเรื่องท่านไม่หลับคุยได้รุ่งนะครัประวัติศาสตร์ราชวงศ์ภูมิศาสตร์สามเรื่องเนี้คุยได้รุ่งเลยแปลกสารจำแม่นโอ้โหเรียกว่ามือกระจับตมามาท่องเลย แต่ถ้าเรื่องอื่นหลับหมดแั้นก็ดีไปอย่างนึงกันนะฮะก็กลายเป็นผู้ชำนาญอีกเรื่องหนึง่งการต่อไปก็คือชอบชอบคุยนะฮะชอบคุยชอบคุยมากพูดมากเดยเห็นว่าการการพูดมากเนี่ยมันมันความคิดมังฟงุ้งซ่านพระเจ้าทรงเตือนพระโมคคัลลานะตอนบวชใหม่ๆเลย ว่าไม่ทรงสนเสริญการพูดมากพราะพูดมากก็คิดมากนะคิดมากมันก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ไม่สำรวมไม่สำรวมใจก็จะเขินห่างจากสมาธิเพราะการปฏิบัติมันมุ่งคุมใจใจที่สงบสิใจมันจะอยู่เรื่องเดียวคือจะไม่พิด ไม่คิดมากมไม่คิดมากมันก็ไม่พูดมากนะพูดมากก็ไปทับมากมันเป็นกระบวนการที่พูดเนี่ยแล้วถ้าตัดตัดรอนสิ่งเหล่านี้ไปเลยอะไรที่เป็นเหตุทีมีปัญหาก็ตัดรอนเพราะฉะั้นพวกนี้พวกที่พูดมากเนี่ยจะสูญเสียเวลาไปและส่วนใหญ่จะเจักระนะฮะคือเรื่องเรื่องที่เอามาพูดในส่วนของกระเจาะ คำเพือเจอเป็นภาษาบาลีที่แปลกมากๆคือไม่ใช้คำวาามาวาจามุสาวาจยังถือเป็นวาจานะฮะปรุสวาจคำหยาบ ก, ก็เป็นวาจาปิศุณวาจคือคำโสเสียก็เป็นวาจาพอพอมาถึงเออเพื cher, ่อเจอท่าทรงใช้คำว่าสัมผับปลาปะไม่ได้เรียกว่าวาจาเรียกสัมผับปลาปะเฉยๆถ้าคนเรียกสัมผับปลาปีคือคนเพื่อเจอ คนไปเจอท่านไม่ถือว่าเป็นวาจาเพราะมันเป็นเรื่องดีร้ายสาระแสดงถึงความไม่สุกภายในเราชอบครุกครีด้วยหมู่คณะไปโดนไปนี้ครุกครีก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ใช่ห้ามความครุกครีไปทุกกรณีเราจึงพบ ว, ว่าประสูนย์บางประสูตรเช่นพวกสารานิยธรรมพวกอภานิยธรรมเนี่ยก็เน้นที่ความครุกครี แต่ว่าเป็นการประชุมที่มีกิจจลักษณะเช่นอภาระานิยธรรมเนี่ยบอกมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันช่วยทํากิจที่สองฆ์เพึงทําอะไรเนี่ยจะต้องทำกันหมดกันนะเราแสดงว่าถ้าเป็นกิจจะลักษณะก็มีการประชุมเช่นว่ากําหนดได้มีให้พระประชุมกันเพื่อ ทำสังกรรมต่างๆสังกรรมต้องประชุมแล้วต้องพร้อมเพรียงกันนะฮะต้องพร้อมเพรียงกันขาดไม่ได้ธุรกิจอะไรก็ตามที่ต้องใช้กายศสต ร, ร์มังคีนะฮะก็ต้องมีการประชุมกันแต่ถ้าคุกคีด้วยการไปด้วยการเที่ยวโดวยการนั่งโดยการคุยด้วยการบริโภค พ, พวกร่วมอะไรแต่ไรมากๆแล้วนะฮะ มันจะช่วยกันดึงออกไปนอกทางเพราะถ้าคุยกับบัณฑิตเนี่ยนะฮะคุยกับบัณฑิตท่านก็คุยไม่นานน่ยนะฮะบัณฑิตท่านจะพูดเป็นหลักเป็นฐานจะพูดไม่นานนะพูดน้อยๆจะได้เนื้อหาสาระส่วนการที่ไปคุกคีกันมากๆส่วนใหญ่มันก็ลากลกู่โตการกันไปคารกกุกขปงกันไปเพราะงั้นนี่ก็เป็นเป็นทางเสื่อมอิปการ การต่อไปก็คือขาดการสัมรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไอ้ น, นี่เรื่องใหญ่ทุกเทียนะฮะเรื่องใหญ่ทุกทีเราจะพบว่ามันเจอเจอเรื่อยๆ เ, เพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสปัญหาทั้งหลายมันมาทางนี้หรือแม้แต่าทางแก้ปัญหาทั้งหลายมันก็มาทางนี้ เหมือนกับบ้านเรือนของเรานะฮะเราก็เข้าทางประตูออกทางประตูไอ้โจรก็เข้าทางประตูออกทางประตูเพเกินปัญหานสำคัญอยู่ที่การขาดการคุ้มครองระมัดระวังอินทรีเวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยขาดการระมัดระวังจนถึงกับอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มไม่ได้เลยแล้วในที่สุดก็ต ก, ตกเป็นทาส ของอารมณ์หล่อนนั้นจิตใจก็จะสูญเสียควาสมสงบอีประการหนึ่งก็คือการคอยคว้าปรารถนาอยากได้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากทำอย่างโน้นมันวุ่นเลยนะฮะมันวุ่นนี่คือถือว่าเป็นทางเสื่อม ในลักษณะการชิงสุกรหามนะฮะมันแม้มมมแต่พระเราหรือว่าชาวบ้านก็เหมือนกันนะโดยเว่าะนักษาที่แก่กิจกรรมเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะไม่จบได้ตามกําหนดนั่นก็คืออยู่อยู่ที่ข้อสุดท้ายคือไปคว้าเรื่องยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาภารกิจที่ที่เรายังไม่ถึงแต่เราไปคว้ามาทําำไปก่อนแต่ที่จะเออมันมีคนรับผิดชอบเสร็แล้วมีผู้ใหญ่รับผิดชอบเสร็จแล้ว ตอนนี้เราหน้าที่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนแลทําให้เสร็จแล้วค่อยไปรับผิดชอบเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมซะก่อนตอนนั้นแต่ละข้อเนี่ยที่จริงคงคงคงไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้แล้วมันก็เสื่อมแล้วแม้แต่ขาดการตำรวจระวังอินทรีย์อย่าง IN เดียวนะฮขาดการตำรวจระ ว, งวงังอินอินทรีย์เพียงอย่างเดียวก็สาหัสสากกันนะอันนี้ก็เลยเถิดไปเจอถึงตั้งหข้อ หรือการคลุกคลีอย่างเดียวก็เข้ารกระพงแล้วนะถ้าคลุกคลีกับคนผ่านนะฮะก็ผ่านก็เป็นอภิมงคลแล้วหรือพอใจในการหลับการนอนหลับอย่างเดียกก็แย่แล้วนะคือแต่ละข้อมันสาหัสทั้งนั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นอาการของจิตที่ขาดความสงบขาดการควบคุมทั้งหมดนะฮะมันเป็นการสะท้อนจากจิตที่ขาดการควบคุม คือคนเร า, เาส่วนใหญ่ลักษณะที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตให้ดูเพราะคนพา น, นั้นจะเพ่งโทษคนอื่นจะสอดใส่จะสแสวงหาโทษของคนอื่นการสงบสงเสงี่ยมของคนพาลจึงเป็นเหมือนกับนายพลที่ดักสัตว์คือซุ่มดักสัตว์ สงบสงเสงียมเรียบร้อยนะติ่มติ ม, ตมนั่งเหมือนกับสมาธิแต่จ้องจะยิงสัตว์จ้องจะฆ่าสัตว์เราดูแล้วคล้ายสมาธิคล้ายความสงบเสงี่ยมแต่จริงไม่ใช่เป็นการจ้องหาโทษจ้องจะทำลายชีวิตสัตว์หรือชีวิตของคนก็นแล้วแต่นะแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองจะตรวจสอบดูโทษตนเอง จยแนวที่พูดเรื่องอายตนปะปภะที่กล่าวมานานแล้วนะฮะจะเห็นว่าวิธีตรวจสอบดูโทษตัวเองเพราโทษเราเราแก้ได้นะฮะโทษคนอื่นเนี่ยเราสะสมบาปสะสมบาปด้วยปากเราพูดถึงความชั่วคนอื่นเป็นการสะสมบาปด้วยปากสะสมบาปด้วยใจแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้คือของเราก็ะเราไม่ได้แก้แล้วคนอื่นก็แก้ไม่ได้ ดังนั้นพระพเจ้าจึงเน้นที่เรื่องที่เราทำได้นะะเรื่องเอาเฉพาะเรื่องที่เราทำได้อย่ารับสั่ง่าใส่ใจถึงคำหยาบคายไร้กาศของคนอื่นหรือเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคนอื่นก็เป็นเรื่องของขาวะนะ่าแต่ใส่ใจสนใจเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเรานั่นคือแนวรามปฏิบัติ แต่ว่าในกรณีที่เราทำโดยเมตตาจิตเราจะเห็นว่าอย่างครูบาอาจารย์พ่อแมออ่หรือแม้แต่อุปชาอุปชาแปลว่าพูดเพ่งโทษน้อยใหญ่นะคำว่าอุปชาเน่ค อ, อุปชาแปลว่าพูดเพ่งโทษน้อยใหญ่หมายความมาตรวจสอบดูโทษดูความบกพร่องความผิดพลาดของสติวิริกของลูกศิษย์ตัวเองเพื่ออะไรเพื่อแก้ไข เป็นการมองโดยเมตตามองใยความปรารถนาดีแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราสร้างสรรค์พัฒนาได้นะคล้ายๆกราทําอะไรสักอย่างหนึ่นงครับ อ, อย่างที่ชาวนาไถนาชาวนาช่างสอนดัดลูกศรช่างถากถากไม้นะรโดยใจน้องก็มองเหมือนกันก็ตรวจสอบก็บกพร่องเหมือนกันแต่ตรวจ ส, สอบเพื่อแก้ไขเพื่อทําให้ดีขึ้น แล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องตรวจสอบแก้ไขและไม่ดีขึ้นการทำเหล่านี้จึงเป็นทำโดยเมตตาจะมีพื้นฐานที่กอบด้วยเมตตาหวังประโยชน์เกือกูลแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะนั้นถ้าราถ้าเราทำได้อย่างนี้ใจเราก็สงบแต่ที่ใจจะสับสนจะเร่าร้อน ในเมื่อทรงแสดงทางเสื่อมทางเสื่อมไว้ทั้งหมดเนีนะ่มันก็แสดงทางเจริญคือตรงกันข้ามหมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีกิจมากไม่มีเรื่องมากเคยได้พูดเรื่องกรณียะเมตสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าโดยเมตตาซึ่งบุคคลควรกระทา ท่านหลายลองสังเกตว่าในองค์ธรรมเหล่านั้นมันเมตตาที่ตัวเองก่อ น, มนหมายความมามาปรับปรุงในตัวเองก่อนเช่นอะไรล่ะแสดงว่าบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์ให้ทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึง่งทางสงบได้กระทำแล้วคือหนึ่งเป็นผู้องค์อาจสองเป็นผู้ซื่อตรง 3. สามซื่อตรงอย่างดีสี่ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนโยน โมโนเป็นผู้อ่อนโยนไม่ดูหมิ่นคนอื่นนะแต่ละยานเราจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันพัฒนาตัวเราที่นี้ภายในภาคปฏิบัติมันมันก็มีคาว่ า, าสลรหุกวุติคือประพฤติเบาประพฤติตัวไม่คนเบากายเบาจิตไม่แบกโลกไม่นั่นกับของเราอันี่กับของเรานู่นกัของเร า, เร า, เร า, เรามันบางอย่างนี่มันไม่ใช่ภาราหน้าที่เป็นทุกไปก็เท่านั้นเน่ย ้าเราเดือดร้อนเพราะรถจิตมันเดือดร้อนแล้วมันไม่ใช่หายจิตเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆเราก็แก้ไขได้นะอย่าออกไปในช่วงที่รัมากๆแล้วกันแก้ได้อยู่หรือว่าหลบช่องอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องเยอะที่เราไม่อยู่ในฐานะไปทำอะไรได้ทุกไปก็เท่านั้นนะเดือดร้อนไปก็เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะปัญหาที่มันแก้ได้ เอาเรื่องที่เราทําได้อะไรเราทําได้เราก็เราก็คิดเราก็ทําทําไม่ได้ก็แล้วไปมไม่ต้องไปแบกโลกแล้วคาสอนในแนวนี้จะกระจายอยู่ทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหตัวนี้เช่นสมมติญาตพี่น้องตายบงาังสาคณญาติตายเนี่ยตายก็ตา ย, ยาทำไงมันก็มันก็ตายเหมือนกันก็ดีแล้วอ่ะก็ตายไปก่อนเราได้ช่วยทําศพให้ เราตายก่อนเราเอาเป็นภาระให้แก่เขาอะมันก็มีโอกาสได้ทําบุญอีกเยอะเลยญาตพี่น้องตายก่อนพ่อแม่ตายไปก่อนเนี่ยแต่ที่เราจะเอาซากศพเราวาเป็นภาระของท่านเราก็เอาภาระซ า, ากศพท่านมาเป็นภาระของเราเรื่องอะไรที่ทําได้ก็ทําเฉพาะที่ทําได้ทําไม่ได้ก็ไม่ทํา แเรื่องที่ทำไม่ได้หมายความตักถืนทำเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะฮะที่ที่ทรงแสดงอย่างในกนณีของการพระพรากสูญเสียนี่ทรงแสดงวาการร้องโกมร้องไห้การเสียใจยนั้นไม่ควรทำเพราะทำแล้วันไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าจะล้างผลาญประโยชน์อีกเป็นนันมากทั้งของเราทั้งวงศากนนาญาทั้งทรัพย์สินเงินทองสุขภาพกายสุขภาพจิต อ, อะไรเยอะแยะไปหมด หมายความว่าถ้าขืนทำแล้วจะมีปัญหาทั้งหมดนี่คือข้อที่ทรงสอนทรงแนะแม่ครับในภารกิจการงานที่มันรุงรังที่ก็เรียกแบกโลกนะฮะ ค, คนบางคนพุ่งไปหมดอคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไปยุ่งันทําไมเราอุกอปัญหาว่าเราจะทํำยังไงบางทีมันก็ยุ่งมากๆมันก็เหมือนกับที่ที่โบราณนาล่าเรื่องเปรต เป็นเปรตจคนนอนนะฮะคนนอนในซาลาเนี่ยภาพตัวนี้ที่จริงดีมากแต่คนไม่ได้คิดคือไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงจิตใจเราก็ไม่สงบถ้าเรายอมรับสภาพตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็สงบได้ในท่านเล่า ถ, ถึงว่าเปรต คนนอนพักบนซาลานะฮะเปยดอยู่บนคือก็มองลงไปก็เห็นคนนอนไม่เรียบร้อยหัวไม่เสมอมังเท้าไม่เสมอมั้งก็ลงมาถึงก็จัดดึงเท้าให้เสมอมองดูเท้าแล้วก็สวยดีชื่นชมอยู่พักหนึ่งไปดูไปดูหัวเอ้าไม่เสมออีกแะก็กลับไปดึงหัวดึงหัวก็ชื่นชมที่หัวเสมอพักมาดูเท้าก็ไม่เสมอก็ดึงไปดึงมาทั้งคนทั้งเปยดเลยไม่ต้องนอนอันนี้คือเรื่องแบกโลก หมาความมาเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ทําทําไมมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เรื่องที่ทําไม่ได้นั้นก็ไม่ทําเอาเฉพาะเรื่องที่ทําได้มีความสมเหตุสมผลมีความสวยงามในส่วนของเขานะเพราะการเรียนในสิ่งเหล่านี้มันสังเกตว่ามันก็เหมือนกับลัทธิการเมืองไงลัที่คอมมิว น, นิสต์ที่ต้องการให้คนเสมอกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่โดยพื้นฐานนะ่ะ ในความเป็นโลกเนี่ยมันเป็นความสวยงามความเป็นวิจิตรศิลความเป็นประณีตศิลป์สุนตรียภาพอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกคือว่าแต่ละอย่างมันเป็นตามที่มันเป็นน่ะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวเป็นหมากเป็นอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นน่ะมันไม่ใช่พืชทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นทุเรียนหมดมันก็หมดเสงตายเลยมันก็อยู่ไม่ได้ อันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายนั้นเจริญเติบโตไปมันเป็นอย่างที่มันเป็นอํานวยผลตามที่มันอานวยให้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ให้ได้ทุกอย่างแต่เมื่อหลายๆอย่างรวมกันมันก็กลายเป็นอํานวยประโยชน์ให้คล้ายๆกะแกงนะฮะใส่ของอย่างเดียวก็เป็นได้ต้องใส่หลายๆอย่างกลายเป็นแกงเป็นขนมเป็นใดมันก็อยู่ในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉนั้นภารกิจการงานทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็รับผิดชอบในส่วนของเรา ปัญหาตรงนี้ว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีกันแล้วแกนเนี่ยนะฮะแต่เราส่วนส่วนมากเราไม่ได้มองในจุดนี้แต่ในบ้านเมืองเราเราสังเกตักวิชาการในเก่งทุกเรื่องเนี่ยนะฮะออกมาชี้นาสั่งสอนอบรมนายกอบรมรัฐมนตรีอบรมสังกราชว่าเลยไอ้ตัวเองหน้าที่สอนไม่สอนเธอมั่งอ่ะหน้าที่สอนนักเรียนอ่ะไม่ค่อยสอนแล้วก็ไปออกสอนคนอื่น ไม่ได้ดูบทบาทตัวเองภารกิจตัวเองภาระนักวิชาการในที่จริงเรื่องเดียวนี้ตายแล้วนะฮะทำไม่ไหวแล้วทํำมันถูกต้องสมบูรณ์มีงานสอนมีงานคนา้นคว้ามีงานวิจัยมีการศึกษาหาข้อมูลยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้ทำอ่ะฮะไม้ทำแล้วก็ออกมาอบรมสั่งสอนคนอื่นมันก็เหมือนคนไม่เคยต่อยมวยนะฮะไปสอนนักมวยผมก็เท่านั้นนะเนี่ยเซนเนอร์มวยมันต้องเคยต่อยมวยจึงจะสอนได้ ไม่เคยต่อยมวยมาเขาก็พูดอยู่ข้างเวทีเขาพูดได้นี่คือลักษณะที่หาเรื่องให้มันวุ่นเพราะงั้นคนที่จะให้ความสงบในท่านจะมองเฉพาะงานที่ต้องจัดต้องทําภารกิจที่ท่านรับผิด ช, ชอบเนยก็รับผิด ช, ชอบเต็มที่ในส่วนของท่านมันก็เหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับฝ้าเพดานอะไรแต่ไรเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่าแต่รับแทนมันมีขนาดมันเท่าไหนก็ปูปู ป, ปูเรียงเรียงกันไปมันก็กลายเป็นเพดานขึ้นมา ตรงไหนไม่แตกไม่หักไอ้แตกหักมันก็มีปัญหาตรงแตกหักแต่จริงๆแล้วแกก็รับผิดชอบในกรอบของเขาประการต่อไปนั้นคือไม่ใช่ไม่ยินดีในการในการคุยะนะฮะแต่จะคุยเรื่องที่มีสาระประโยชน์หมายความมาพูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักเป็นฐานนะพูดไม่ค่อยมาก แต่ท่านหลายลองสังเกตว่าคำพูดที่เป็นสุภาษิตไม่จะเป็นจะต้องพูดมากอะไรพูดเป็นหลักสักข้อสองข้อก็พอแล้วเราลองดูคําคพูดของหลวงปู่แหวนอะไรหลวงปู่แหวนเดี๋ยวองคหลวงปู่บุญดาไปก่อนอ่านหลวงปู่บุญดารวดเดียวหมดแล้วพูดสั้นๆนะครับพูดสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาเยอะหลวงปู่แหวนนั่านก็ประโยคสั้นๆแต่ว่าเนื้อหามันเยอะ พูดเฉพาะเรื่องที่เป็นทาระประโยชน์ที่เรียกว่าพูดเป็นอัจเป็นรรมมีหลักมีฐานแล้วก็ฟังแล้วมันเกิดความสงบภายในใจมันต้องสะท้านว่าะสะท้อนจากใจที่มีความสงบมีความรู้ในเรื่อ ง, งนั้นเพราะการติดต่อของคนเราก็ติดต่อโดยการพูดแต่กรอบของการพูดนั้นจะอยู่ในเรื่องที่ได้เรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์ นั่นคือเกณฑ์เกณฑ์ที่ท่านมองที่สุดคือตัวประโยชน์พอเรามองท่้งคำว่าประโยชน์ไอเราตั้งเกตว่าเรื่องบางเรื่องแม้จะดียังไงก็ตามนะในกรณีนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดไม่ใช่ว่าถ้าดีแล้วต้องเป็นประโยชน์เสมอไปที่เคยอุปมาท่านอุปมานะฮะท่านอุปมาว่าเป็นยานะยาดีพิเศษยังไงไม่ได้ใช้ได้ทุกโรคแต่ใช้ในกรณีของโรคอะไร คำพูดเราก็เหมือนกันว่าคำพูดแม้จะดีแม้จะจริงนะฮะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่พูดแล้วจะมองที่ประโยชน์แล้วใครจะได้ฮะเราจะได้จากการพูดและคนฟังจะได้จากการฟังในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมคือสังคมจะได้รับรู้ในเรื่องที่ถูกต้อง ดูกัลเทศดะดลเทศะบางทีเนี่ยคนควังอาจจะไม่ชอบหรอกแต่ว่าเวลามันควจะพูดต้องก็พูดเพราะนนพื้นฐานการพูดของท่านก็คือเมตตาเมตตาจะเป็นฐานในการพูดเพราะไม่ได้พูดเพื่อตัวเองแต่เป็นการพูดเพื่อคนอื่นและการต่อไปคือการ ก็เรียกว่ามีความเพียรเป็นผู้ตื่นนะฮะชาคิยานุโยคประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นก็ถือว่ามีการหลับมีการนอนไหมก็นอนร่างกายมันต้องมันต้องนอนเป็นธรรมดาก็เรียกขันธนิสาเนี่ยมันเหมือนกันทั้งมนุษย์อาจารยทั้งทั้งสามบรรจนุและระาญบุคคลข้อแตกต่างก็คือพรยายบุคคลท่านนอนน้อยแล้วก็นอนอยังมีสติ ถึงเวลากำหนดใจจะตื่นเล้าก็ตื่นส่วนใหญ่แล้วก็นอนแค่สี่ชั่วโมงตอนนั้นก็ทำงานนะฮะทำงานในส่วนในส่วนตัวของท่านบ้างเพื่อสังคมบ้างแต่การนอนก็คงนอนนะในขณะเดียวกันสามัญชนเนี่ยทรงใช้คาว่าประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอันนี้อันนี้ใช้ใช้ทุกเรื่องนะฮะ เป็นหัวหน้าคนเป็นข้าราชการเป็นพ่อบ้านเป็นอะไรแต่ไหนจะใช้คำกระนี้ยชาคริยานุโยกบางทีก็ใช้คำว่าชาคระแปลว่าเป็นผู้ตื่นปฏิบัติตนลักษณะตื่นตัวทํางานเหมาะสมเหมาะเจาะสอดคล้องกับลักษณะการงานลักษณะของอารมณ์หรือกรณีนั้นๆเวลาพักท่านก็พัก ทีนี้การครุกคีด้วยหมู่ก็ไม่ถึงกับไม่คุกคีอย่างที่ว่านะฮะไม่ถึงกับไม่คุกคีหรอกแต่ว่าจะาคุกคีเป็นกิจลักษณะไม่จะตั้งกลุ่มนั่งคุยกันดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลักษณะเหล่านี้เป็นภาพเป็นภาพที่แปลกที พระใหม่เนี่ยท่านก็นคุ้นๆทานก็จะภาพชีวิตในบ้านเนี่ยมาก็ตั้งบงก็เปลี่ยนเป็นมีบุหรี่มีอะไรล่ะแป๊บซี่โคกลาอะไรแต่ะ ว, วางนั่งวง น, นั่งคุยกันถูกบุหรี่คุยกันไอเ้เจ้ว่าอะไรแกตรงๆก็น่นนาเกลียดนะครับแต่ก็เดินผ่านบอกไหนไะด้เปลี่ยนขวดโคกลาเนี่เป็นเป็นแม่โขงก็เหมือนอยู่บ้านนะนะพูดตอนนั้นพูดตอนนั้นน่ะๆๆๆๆๆๆๆๆ แล้วทีหลังแกก็อายอพูดทีเล่นที่จริงไงนะฮะเล่นจริงที่จริงพูดจริงไงนะฮะแต่ว่าจะไปบ้าอะไรก็แรงๆ ก, ก็ก็น่าเกลียดพูดทีเล่นเล่นไปเวลานั่งวงอย่างนั้นน่ะจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่เสียเวลาเยอะไปนั่งทําไมล่ะนั่งคุยกันไังคุยกันไปคุยกันไปคุยกันมาโดยนี้นจนที่บางแข่งเขาบอกจังหวัดตรังเนี่ยฮะกินอะไรกินกินกาแฟดำๆอะไร เดีวนั่งคุยการเมืองอะกูปีอะไรกน่าง้วนั่งคุยการเมืองแล้วก็ทะเลาน ะ, ะล ก, กันเองไงนะฮะทะเลาะกันเองเป็นเป็นเป็นไปนกันใหญ่เลยไกันใหญ่เวลาหน้าที่อะไรแต่ไรที่เราจะต้องทำเราก็ไม่ได้ทำเพราะว่าการครุกคลีอย่างนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงจะวันก่อนอะไรฮะ เพื่อนสองคนนั่งพูดเรื่องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งผู้ว่ายิงกันตายเลยมันก็ไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้คือการคลุกคลีแล้วมันมีปัญหาเพราะการคลุกครีหมู่คณะการทํางานการประสานประโยชน์การร่วมแรง ร, ร่วมใจกันท่านก็ส่งเสริมให้มีการกระทําแต่ในอภารณียธรรมให้พร้อมเพียงการประชุม ไม่ใช่ประชุมกันหนึ่งนิดด้วยนะฮะประชุมกันหนึ่งนิด<ม>เป็นกิจลักษณะยัง<ม>สมัยก่อนเนี่ยเราย้อนก่อนสมัยพระบา ท, ทุมเด็จพระจอมเกล้าฯนะฮะจะเจ็นว่าธรรมชาติธรรมเจนเนี่ไม่มีอะธรรมชาติธรรมเจนเป็นเป็นความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอมพระบก่อนท่านก็ประชุมสาธยายพระสูตรอบทสวดมนต์ที่ทีที่เราสวดเนี่ยมันมีสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม เราทั้งก็ไปชุมกันในปาติโมกในโอกาสต่างๆในการนัดหมายการมีการกติกาและกติระคังสัญญาณนะฮะที่ระคังสัญญาณประชุมกันนี่พระบาทสมเด็จพระ์อมต้องก็มาคิดตรงนี้ขึ้นมาธรรมชาตเย็นเดวเช้าค่ำหรือเช้าเย็นนะฮะจริงเชาวว้ามันน่าจะเย็นนะฮะเช้ามันน่าจะคู่ก็เย็น ก็ต้องการให้พระได้มาไปชุมกันและตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็จะหาโอกาสพูดทีละ9กนาทีส0นาทีเมื่อก่อนมันจะมีก็เรียกว่าธรร ม, มนุศาสตร์อุปชาญาญาจารย์เนี่ยท่านจะพูดสีห้านาทีนะฮะแล้วก็จดบันทึกไว้โอ้ที่ที่ ท, ท, ที่ดูดเดือดมากที่สุดคือของสมเด็จระวัณรัฐทัพวัดโสมนัสเริหารก็จะ ค, คุณอุบาลีคุณอระมาจารย์วัดวัด วัดบุลมีวาดนะนะโอ้ยเฉียบมากเลยของสมเด็จประวันรัตทัพวัดโสมรรณเนี่ยพิมพ์เผยแพร่แล้วเวลานี้เขก็อ่านนะนะแต่ว่าเช้าเสร็จจะมีพระอ่านทำธรรมานุสการ์เนี่ยวันละบทวันละบทสื่อของสมเด็จสังราชศาก็มีอบรมพระโดยเฉพาะเลยเพราะในการการประชุมกันในลนาานักษณะนี้ที่จริงแล้วเนี่ย ธรรมัตช้ามันช้เวลาสิบสี่นาทีเท่านั้นเองธรรมเย็นก็สิบแปดนาทีช่วงธรรมบัตร น, นะฮะเพราะงั้นก็อุปัชายาอาจารย์สามารถจะเพิ่มอะไรขึ้นมาให้เป็นถามสิบนาทีตอนเช้านะฮะ ห, หนึ่งชั่วโมงตอนเย็นก็ได้มันก็ไม่แปลกอะไรเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มขึ้นก็ขนาดนั้นตอนเย็นอาจจะกว่าบางทีก็อาจจะกว่าแต่สรุปว่าต้องการร่วมทํากิจกรรมที่เป็นกิจตลักษณะ ซึ่งภายในครอบครัวเองนะฮะเราเห็นว่าสภาพครอบครัวที่ที่ก็มีปัญหามากเลยเนี่ยเพราว่าในที่บางแห่งผัวเมียติดต่อกันด้วยการเขียนโน้ตทิ้งไว้นะฮะลูกต่างานติดต่อกับพ่อแม่ก็เขียนโน้ตทิ้งไว้ที่เขียนไว้ที่กระจกเขียนอะไรเป็นน ม, มากเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงมันมันมันจะต้องมีเวลาคุยกันเวลาคุยกันนัดหมายถึงวันอะไรที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วคุยมีปัญหาอะไรก็มาคุยกัน เพื่อจะรู้สาระทุกสุขดิบข้องกันในกันการคุยในลนนักษณะนี้รับการยกเ้อกการสื่อหมายความว่าเป็นการพร้อมเพียงโดยธรรมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันช่วยรำภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้งทำเป็นการประชุมเป็นการ ทุกครีที่ที่ที่ที่เป็นกิ จ, จลักษณะไม่มากเกินไปนะฮะบางทีพระท่านเคร่งเกินไปก็โดนตำหนี่เหมือนกันท่านเข้าไปอยู่ป่าก็กลัวการคุยนี่แหละแต่ว่าท่านเล่นเคร่งเกินไปไหน่อยโตลงนัดหมายกันไม่พูดกันไม่พูดกันใครมีปัญหาอะไรก็มาตรีรักรังตรีรัรง เวลาปกติจะไม่คุยกันจะไม่พูดกันมีปัญหาก็ให้ตีระรังแล้วก็แยกย้ายกันอยู่ตามป่าตามตามตกุฏิกะตอบเล็กๆนะฮะพระเจ้าทรงทราบรับสั่งว่ามันอยู่กันเมือนกษัตริย์อยู่กันเหมือนกษัตริย์เครื่องมูอวัตปฏิบัติเป็นมูฆวัตคือใบนะฮะพระเจ้าบอกอยู่เมืองกษัตริย์มันไม่ไม่พูดกันไม่ได้นะฮะมันต้องพูดกัน มีการคุกครีมีการปราศัยกันแต่ไม่มากก็เรียกว่าเป็นกิจลักษณะประการต่อไปนั้นก็คือการรู้จักคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องปัญหาภูเขาเลย คือคนเราต้คุ้มครองอินทรีย์ได้นะฮะคุ้มครองอย่าให้อยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมมากเกินไปนะเอ๋ถึงถึงไม่อยากนี่มันก็พูดยากอย่าให้อยากเกินไปมันจะแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ถูกดึงดูดจากสภาพแวดล้อมจากสื่อการโฆษณาต่างๆ เชิญชวนไปดูไปชมไปกินไปลิ้มไปอะไรแต่ไรไปทดลองชิมอย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะคือคือกิจกรรมต่างๆที่เชิญเราไปดูไปฟังไปชมเนี่ยไม่รู้ใครได้จดไปบ้างหรือเปล่านะฮะปีนีมันเป็นเป็นหลายๆายพันนะฮะแต่ว่าที่จริงปีนึง ม, มี360ประวันนั่นเองผมไม่รู้จะใช้เวลายัางไงเพราะการสำรวจระวังอินทรีย์เนี่ย เป็นข้อกำหนดที่สอนไว้ทุกเรื่องเนะฮะสอนไว้ทุกแข่งทุกเรื่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าเอาจิ ง, จงๆเราไปปรับสภาพไปล้อมเนะี่ยไม่ได้เราเเรารคงต้องเห็นนะนะฮะต้องเห็นต้องได้ยินต้องสุดทุมต้องลิ้มต้องจับต้องเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเห็นได้ยินเนี่ยฮะเห็นได้ยินได้คิดมันไกละนะฮะตามันก็มองไกลเวลานี้มีโทรทัศน์ด้วยลไปใหญ่เลยนะ ราเชียดด้วยไปกันใหญ่นะแล้วก็เสียงก็ไปใหญ่นะฮะเสียงก็ไปใหญ่เดี๋ยวนี้ฟังวิทยุสารัสยกนย่งยไปหมดเลย BBC ใจก็ไปใหญ่สามเรื่องนี้ไปใหญ่มากเลยทั้งตาทั้งหูทั้งใจแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าจมูกลิ้นกายเองก็มีตัว ก, กระตุ้นเยอะโดยเฉพาะลิ้นนะฮะกิจกรรมการอาหารการโฆษณาเรื่องงานี่ก็แรง ถ้าทำยังไงเราจะหลบยังไงมันมันมันหลบมันไม่ได้นะะมันอยู่ที่การคุมใจที่ทรงใช้พวกคุ้มครองอินทรีย์เนี่ยหมายความมาสำรวมระวังอินทรีย์ถ้าหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงแต่อย่างที่บอกเนี่ยมันก็เลี่ยงยา ก, ก น, นะฮะสภาพต้งกลมปัจจุบันเนี่ยจริงจริงเลี่ยงยากมันได้เหมือนกับซื้อ สังคมเมืองพูดง่ายสังคมเมืองเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเลี่ยงตรงนี้ยากคงต้องได้เห็นได้ยินในสุดตมสิ่งที่ทำยังไงมั น, ม, นมันแก้ตรงนั้นไม่ได้ท่านก็สอนให้แก้ที่ใจวิธีแก้วางมาเยอะนะฮะสภาพแวดล้อมเงื่อนไขปัจจัยต่างๆภายในสังคมมันบีบเราคงไปหลบไม่ได้แล้วก็หนึ่งคือไม่สนใจไม่ใส่ใจ มันมีอย่างที่มันมีมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจนี่เป็นเป็นวิธีที่ใช้ที่ใช้มากเราจะเห็นว่าอย่างอย่างวินัยของพระนี่ท่านคุมเลยบิณฑบาตเวลารับบาสนี่ห้ามดูหน้าทายกนะดูเฉพาะในบาสแล้วก็ไม่เทอ่มองเลืกล้กรักไปโน้นไปนี้ไม่ได้มองมา ก, มากเกินปัญญาให้คุม แต่ในปัจจุบันจริงๆเราเดินอย่างนั้นไม่ได้เดียวรถชนตายแล้วก็ต้องต้องต้องต้องมองมพอสมควรนะฮะต้องมองพอสงควรก็ต้องต้องพยายามปฏิบัติปรับตัวให้ให้อยู่ได้ในคือหมายความรักษาสถานภาพของความเป็นพระไว้ด้วยและรักษาชีวิตไปด้วยรักษาชีวิตไ้ด้วยไม่ใช่ว่าสํารวมจนเดินชนโนรถน่ะมันก็เกินไปนะฮะเรื่องอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกิด มันเกิดละมันผ่านมาแล้วมันได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้สูดดมแล้วได้ลิ้มแล้วได้จับต้องแล้วก็ไม่ีปัญญามีเจติเข้ากำกับไม่ปรุงต่อเรียกว่าระ ว, ร, ะวระวัดระวังไม่เกิดความยินดียินร้ายหรือความชอบความชังมากเกินไปไปถึงก็ไม่ชอบไปช้างก็ยากอีกแล้วนะฮะแต่ว่าทำยังไงให้มันลดลงมาหน่อย เพราะการตกเป็นาธาตุของอวัยวะภายในภายนอกนะหมายความว่าตกเป็นธาตุกิเลสนะเพื่อแก้ตกเป็นาธาตุกิเลส ท, ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยว่าจะเป็นรูปก็าตามเป็นเสียงก็าตามเป็นกลิ่นก็าตามเป็นรสก็าตามแต่อย่างเนี่ยสาหัสวันก่อนเนี่ย คือจัดหนังสือตอนตอนนี้วังปรับเตยกปีกจัดหนังสือไว้เจอหนังสือเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ของของคนแต่ละคนนะเขาเล่ามันก็นทําให้นึกถึงถึงสมัยพุทธกาลที่เขาท่านเล่าถึงนายโคคาสนายโคคาสจะตามใจลิ้นนะฮะตามใจลิ้นอย่างเดียคิอว่าแกต้องมีเนื้อกินตลอด ถ้าวันไหนไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อนี่ยก็กินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาชีพข่าโคมันก็มีเนื้อเยอะนะฮะแต่ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเนื้อที่เก็บไปเนี่ยมันหายไปกินด้วเพื่อนมาเอาไปอะไรเนี่ยพอถึงเวลากินปรากฏเราไม่มีเนื้อจับมีดลุกขึ้นไปหลังบ้านไปดึงเอาลิ้นโคมาจากปากโคตัด ตัดลิ้นนะฮะตัดลิ้ น, ล, นลิ้นโคเป็นเป็นะตัดออกมาแล้วให้เมียทอดทำพอกินปับ๊บก็ไปเนี่ยลิ้นหลุดลิ้นตัวเองหลุดร้องเป็นโคอยู่เจ็ดวันเสียงได้ยินถึงวัะเช็ต่ ว, วันแล้วก็ตายไปพระเจ้าบอกว่าตกนรกเมื่อก่อนนึกถึ ง, ถ, งถึงเรื่องที่เขาเล่าที่สุพรรณ เขามีงานบวชนาคพอดีไปคิดงานยังไงไม่รู้ต้องการจะเอาเนื้อโคเนี่ยมาปรุงอาหารแล้วก็มันเกิดเป็นวันเนี่ยเขาไม่ฆ่าโคก็แสดงว่าหลายปีแล้วนะเพราะเมื่อก่อนในเมืองไทยเราวันวันพระเนี่ยเขาไม่ฆ่าเดี๋ยวนี่อุตลุดไปหมดแล้วเอาอะไรไม่ได้มาจะอินเดียเขายังอยู่นะ อินเดียรักษามันตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ได้เรารักษาไม่ได้เลยอินเดียทุกๆวันวันวันพระวันวันเนี้ยวันวันวันวันเจ็ดข้าวันวันวันแปดข้าวันสี่ภาคข้าวเนี่ยก็ยังไม่ฆาดสัตว์เอาตกลงชื่อนายคงนะฮะเจ้าของบ้านนะชื่อนายคง ก็ตัดใจก็เอาแม่โคของตัวเองนะข่าแต่คนที่เล่าเนี่ยเขาเขาเขาเกิดสะดุดตอนที่ก็ามาอยู่ที่ที่สมุทรสาครเนี่ยก็รู้ข่าวว่าเป็นเพื่อนบ้านกันบวชแล้วเขาก็าไปแล้ยินเสียงลูกโคมันร้องมาสอบถามนีม่คนก็ล่าวังว่านหงนี่ให้ในข้าแม่โคเพื่อเพื่อเลี้ยงแขกที่มาในงาน แต่ตลอดงานเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามลูกโคมันวิ่งพลาดไปหมดเรยแล้วก็เสียงมโหรีปีพลาดอะไรดังขึ้นมาก็ตามเสียงลูกโคกรบหมดทุกคนได้ยินเสียงลูกโคร้องดิน้นรนจับไปขังไว้ในข้อหมูแกก็ดันข้อหมูออกมาดัานออกมาหลายเที่ยวจนในที่สุดจับไปล่ำแกก็ดิ้นออกมา มาจนถึงแห่ไปบวชนาค่ะ น, นะฮะไปบวชนาเขาก็กปายวิ่งตามไปวิ่งกันไปในโบสถ์นนะจึงเป็นเบอร์เขาก็จับจับก็สรุปว่ามันผ่านพิธีบวชได้นะะผ่านพิธีบวชไปได้แต่ลูกโกก็ยังร้องอยู่รอบโบสถ์น่ยร้องก็สรุปว่าผ่านการบวชไปได้แต่ว่า ต่อมาทั้งครอบครัวเนี่ยมันล้มละลายเลยเหลือแต่พระลูกชายที่บวชลูกสาวสองคนก็เลยตายนะบรรดาก็ตายในคมก็เป็นบ้าบ้านเนี่ยร้างตอนตอนคนที่ก็ล่าวนี่ยเขาไปอีงเทียบึงบ้านร้างแล้วขายบ้านเพื่อเอาเงินมารักษาตัวก็ไม่มีคนกล้าซื้อ มันเป็นอาถรรพ์ปีาศาจแล้วก็แปล ก, ก น, นะไ อ, อ้มันมันก็แรงเหมือนกันว่าลูกโคตัวเดียวข้าแม่โคไปตัวเดียวต่วม่มันแรงขนาดนั้นแต่ว่าแนวนี้จริงได้ได้ยินบ่อยนะได้ยินมาบ่อยบางทีก็เอากันวันนั้นเลยตัวหน้าคอหักเลยมันเกิดมาจากข้าโคนะฮะ เกิาจะข้าโค่บางทีหน้าคอหะถ้าหน้ามีส่วนร่วม น, นะนะถ้าหน้าไม่มีส่วนร่วมมันทีเจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านอะไรได้ก่อนในล่าวเป็นคนจับจมูกโคเพื่อ ด, ดึงเขาตีหัวดึงเขาตีหัวก็จับจมูกพอก็ตีปั๊บติโคมันหลบก็ดึงแก่ต่ำลงไปจังหวะมาอยู่ตรงขวานพอดีเยี่ยงเดียวตายเลยอันนี้คือคือบาปกรรมในแนวนี้แต่ว่า คนไม่คยสังเกตแต่ทำวันมาจากอะไรมาจากการการสำรวมระวังปากคืออยากกินนะฮะมเกิด hmm. จากการอยากกินยงเกินไปโดนไม่นึกว่าอาหารเพียงมื้อเดียวทำไมจะต้องต้องไปเอากันขนาดนั้นไปทำลายชีวิตขนาดนั้นว่าแนวแนวอินเซียสองบอลเนี่ยนะฮะที่จริงมาเป็นศีล เป็นศีลที่เป็นีิสตันทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าองค์มรักแล้วเนี่ยคือสัมมาสัมมาวยามะสัมมาวยามะตรงนี้ก็เรียกวสังวรปรปทานคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตันตันแต่ว่าเวลาเรียกจริงๆท่านก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรสําหรับพระถือว่าเป็นศีลสัสมปโยมถือว่าเป็นธรรมะนะฮะเพราะว่าสัมมาวยามะนี่ที่ ที่จริงมันอยู่ในกลุ่มของจิตสิกขาไม่อยู่ในกลุ่มของศีลสมภาระถือว่าเป็นศีลการการสํารวมระวังท่านปรับอบัตรพระนะฮะแต่ว่าโยมโยมไม่ได้ปรับกาศรศีลนะพระนี่จะปรับอบัตรเป็นข้อปฏิบัติที่อาศัยการควบคุมที่ใจเป็นหลักเพราะจริงๆอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันมันเอายากนะฮะคุมยาก เราห้ามเขาไม่ได้อรส่งเสียงดังเขาตะเลเคเขาเมาเหล้าเขาเล่นอะไระอะไรการเราก็จะหนวกหูหรือจะไปเดือดร้อนวิ่งไปรับรู้แล้วเราก็เดือดร้อนอนะ่ะเพราะนั้นวิธีที่แก้ก็คือสำรวมที่ใจเราไม่ใส่ใจไม่สนใจปล่อยเขาไปเรื่องใครก็เรื่องคนนั้นทางใครทางมันหัวใครเข้าข้าขอคนนั้นอะไรอะไรคนไทยมีเยอะนะมีเยอะช่างหัวมันช่างเขา คือนี่คือความคิดที่ตัดตัดใจเราไม่ให้ไปเชื่อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะนําไปสู่การเพิ่มกิเลสเพิ่มความรักความชังก็ตามมันมีปัญหาทั้งนั้นนั่นคือการคุ้มครองเป็นผู้คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเราเป็นผู้คุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายแต่การคุ้มครองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคุ้มครองที่ใจนะฮะ ทุกของที่ใจไอ้ตาเราก็ไปหลับตาไม่ได้เราก็ต้องดูแต่ใ จ, ใจอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปปรุงคิดคิดปรุงมันก็ลดปัญหาลดความรุนแรงเราไปได้ประการต่อไปเรื่องเรื่องกิจการงานนะฮะตอนอามาม า, มาอยู่กรุงเทพท่านอุปชาท่านสั่ง แล้วเราก็ถือไยจนทุกวันนี้นะสามสีปีท่านบอกว่าไม่ถึงอยาเอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธหรือท่านสั่งมาอย่างงั้นแล้วก็สั่งมาสองข่าวนะฮะสันละหุกกวัตติกับถึงหน้าไอ้ไม่ถึงอยาอามือควา้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธสันลูกกวัตติก็คือประพฤติตัวมันเบากายเบาจิตก็ไม่รู้ว่าทําทํางานอะไรก็ทําทําเสร็จก็จบทำเสร็จก็จบกันเลย คือไ ม, ไม่ไม่ไปแบกมันไว้อะนะไม่ไแบกมันไว้แล้วก็งานภารกิจอะไรก็ตามที่มอบหมายให้เราทาเราทำให้อย่างดีเลยทาไม่สั่งเราไม่ทำไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายอะไรแต่อะไรสั่งมาเราก็ทำไ ม, ไม่สั่งมาก็แล้วไปเราก็มีงานของเรานะฮะตามว่าแต่มีคณะสมมอบหมายให้ปฏิบัติงานอะไรเราก็ทำให้แต่ทำให้ดีด้วย แต่ถ้าไม่สั่งเราเราไม่ไปยื้อแย่งไม่ไปวิ่งเต้นไม่ไปขออะไรใครในขณะเดียวกันงานหลักเนะี่ยคือพระเราจริงๆคุณมีงานหลักอยู่คือบวชปั๊บมาถึงนี่หน้าที่ศึกษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่เนี่ยมันมันมันเป็นหน้าที่ติดมาโดยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้ทาท่านสั่งมาติดมากับการบวชนั่นนหะที่จึงติดมากับความเป็นพู้ตบริษัทได้ทั้งไป ถึงว่าจําเป็นจะต้องมีใครแต่งตั้งนะังานมันเยอะเพียงแต่ไม่ทํากันเองอ่งานเยอะทําให้ตายกันไปหมดแต่ว่าจะทําให้ใจมันไม่ดิน้นหมาหความว่างานทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมที่จะทําได้พร้อมจะทําได้เป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่เราไม่คว้าที่จะเป็ดในขณะเดียวกันเรื่องทุกเรื่องเราศึกษาบทศึกษาบทเราทําได้ถามมาอะไรมาเราตอบได้ แต่เราก็ไม่แสดงใครไม่ถามเราก็ไม่พูดนั่นคือคือคือการทําตัวให้เบาเดีย๋ยวไปข่อยคว้าดินรนอยาบเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างน้นเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ดีเป็นก็ดีก็ได้ไ ด, ได้ทํางานเหมือนกันไม่เป็นก็ดีเราก็ได้ทํางานอีกอย่างหนึ่ง น, นั่นก็คือว่างานทั้งหลายเนี่ยมันมีคนทำอยู่แล้ว มีคนทำมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วแต่เขาเห็นว่าไห้เราช่วยเราก็ช่วยไปช่วยกันแล้วไปคือหมายความว่าทำใจให้ให้ยินดีกับสถานะของตัวเองแต่ไม่ใช่ปล่อยประนะฮะไม่ใช่ปล่อยประคือภารกิจภารกิจนจริงมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามนะคาว่า ว่างงานเนี่ยที่ที่จริงเราไม่ทำงานเฉยๆแต่โดยเฉพาะที่ที่เป็นพระเราถ้าหากว่าใช้เวลาย่งวันก่อนเนี่ยท่านท่านประสันโนที่วัดป่านาน า, นาชาติมาลาเข้าป่าตอนนี้เข้าป่าเข้าป่าไปจนถึงก้าวบัญซานะฮะแล้วจะไปออกไปไปอยู่ที่อังกฤษปีหนึ่งอยู่ที่จิตเิเวกไปชาร์จแบตเตอรี่ ข้าป่าตอนตอนนี้ก็เข้าไปอยู่คนเดียวในป่าลึกมากนะฮะอยู่ที่เมืองกานขนพระไตรปิฎกขนหนังสือธรรมะเข้าไปนี่เป็นความฝันฝันมานานเลยมาเองฝันมายี่สิบกว่าปีนะฮะฝันมาตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งหกอยากจะเข้าป่าตั้ปีแล้วก็กลางคืนก็จเจริญกรรมฐ า, านเดินจงกรมกลางวันก็ค้นคว้าพระไตรปิฎกอัตถกาถา เปีนะยังครางฝันมานา น, นก็ทำไม่ได้ทีพวกเขาไม่ให้ไปไม่ให้ไปมันก็ทำไงล่ะมันภาระที่ที่ ท, ที่ที่คนอื่นเขาเขาบังคับไปเราทำเนี่ยเขาขอให้เราทำมันเยอะแต่ว่าควรจะมีควรจะมีโอกาสอย่างแนวพวกลูกศิษย์พระจันชานี่ ก็ใช้แนวนี้เปลี่ยนกันออกป่า อ, อป่าปัสสันโนเวลาแกไปอยู่ก็ไปอยู่ในป่ามันมีป่าอยู่แห่งหนึ่ง ท, ที่จิตัวเวกเขาฝรั่งเจาถวายไว้สองร้อยกว่าเ อ, อเคอร์นะฮะอยู่ในป่าเงียบดีมากแล้วก็ใช้เวลาอย่างนี้ไอ้นั่นก็คือก็คือแนวที่ที่ต้องการจะเพิ่ม ความสุขความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการเรียกว่าเอาเขาเราจริงๆไงนะฮะเป็นพัฒนาการทางจิตก็ไม่มีใครต้องมอบหมายให้แต่เราก็มีงานทำเพราะงานทั้งสามงานสี่งานที่ว่าตะกี้เนี่ยนะไม่มีใครทำได้เสร็จนอกจากพระอระหันต์ังนั้น ไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องเรื่องงานที่เราจะไม่มีทมาแต่ว่าเวลานี้ขนาดใดที่เราอยู่ในภารกิจอะไรเราต้องรับผิดชอบใ่เรื่องอะไรเราก็ทำตรงนั้นไปก่อนทำตรงนั้นให้ดีนะฮะส่วนภารกิจอื่นเมื่อมาก็มาไม่มาก็แล้วไปมันก็ยังมีงานอื่นที่จะต้องจัดจะต้องทำนั้นคือเป็นทางของความเจริญ และหลายลองสังเกตว่าในข้อหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่มีการงานมากเขาเรียกว่าอปปกิจโจไม่มีกิจมากไม่มีภาระมากไม่มีเรื่องวุ่นวายมากอย่าแบกโลกนะฮะอย่าแบกโลกเป็นห่วงอย่างงั้นต้องเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ทําไมจะต้องบุญ <c oughs> บุ่นวรายเล้วนะฮะกัเเะะบเรื่องของเขานะฮะบอสเนียเซอร์ฟมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของโรโร เพอย่างนั้นเนะ่ยเราก็รู้ไปก็แท่นั้นเองเไม่ได้เรื่องอะไรเพราะงั้นถ้าถ้าหากว่ามองดูให้ดีทั้งสองด้านนะทั้งสองด้านทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นการปล่อยจิตให้ไหลไหลไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่จะไหลมันเหมือนกันน้ําที่เราปล่อยให้ไหลไปเรื่อยในที่สุดก็ออกทะเล จะถูกดูดซึมไปในที่ต่างๆแต่ถ้าน้ำที่เรากั้นเอาไว้นะมีสะเก็บไปมีขาดมีคืนมีคันอะไรรกักเก็บเอาไว้มันก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจิตที่ไหลจะมีการไหลนะฮะแต่คุมทิศทางของการไหลเป็นกระแสธรรมไม่ใช่ไหลไปตามกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหาประโยชน์จากสภาพต่างๆเช่นการครุกคลีตัวหาประโยชน์จากการคลุกคลีการคุยก็หาประโยชน์จากการคุยการหลับก็เอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการหลับหลับขนาดไหนสมเหตุประโยชน์ก็พอแล้วแต่เราต้องการคุ้มครองอินทรีย์คือไม่ใช่เราคุ้มครองทั้งหมดไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่สนใจทั้งหมด มันเอาเฉพาะเรื่องที่จะเพิ่มกิเลสเท่านั้นคําว่าสํารวมอินทรีย์หรือว่าอินทรีย์ที่คุ้มครองแล้วเนี่ยนะฮะอินทรีย์ที่คุ้มครองแล้วหรือสํารวมวม่อินทรีย์หมายถึงการไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ได้หมายถึงถึงถึงถึงไม่ใส่ใจอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะธรรมะมันก็เกิดที่ประสาทสัมผัสเราอารมณ์กรรมฐานมันก็มาจากการดูมาจากการฟัง อาจจะ ก, การคิดเป็นหลักนะฮะหมายความาตาหูใจในเรื่องใหญ่ตาหูใจนี่เรื่องใหญ่มากทีนี้บทเรียนเราจะเห็นว่าอย่างสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยลิ้นสิ่งที่เราสูดดมโดยจมูกหรือสิ่งที่เราถูกต้องด้วยการเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเพียงแต่ว่าการดูการฟังการดมมีสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมเข้ากํากับหรือไม่ เราใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมกํากับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นวันเวลากล่าวโดยในยะหนึ่งเนี่ยฮะการตํารวมระหว่างยันติก็ส่งใช้คําว่าคิดยังไงที่กิเลสมันลดได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องคิดยังไงก็ตามถ้ากิเลสมันเพิ่มเราถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงเรื่องอะไรก็ตาม นี้ก็เป็นเรื่องหานนยัดสูตรสมคัวันนี้ก็ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ีิสุทธิ์นี้ขอความเจริญงอกงามไปบุตในธรรมจงมีแต่ท่านสาธารณนาหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถอด